ขออวยพรวอนอ้างคุณพระพุทธ เป็นที่พึ่งสูงสุดไม่สงสัยจงปกป้องพองท่านที่ตั้งใจประพฤติให้ถูกทางอย่างมั่นคงขออวยพรวอนอ้างคุณพระธรรมที่ครอบงำทุกได้ดังประสงค์ จงปกป้องพ้องท่านที่จำนงประพฤติธรรมได้ตรงองค์พระธรรมขออวยพรวอนอ้างคุณพระสงฆ์ที่เดินตรงตามทางอย่างงามขำจงปกป้องพ้องท่านที่มุ่งธรรม เดินตามทางอย่างแม่นยำไม่ทำงนท่านพุทธทาสภิกขุเราก็มาฟัง ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อว่าจะได้นำมาเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตเป็นหน้าที่ของผู้ฟังส่วนหน้าที่ของผู้พูดก็พูดในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่รู้แล้วก็มีอยู่เพื่อว่าจะได้แบ่งปันกั น, นเช่นเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกท่านต้องมีการปฏิบัติธรรมในเนื้อในตัวเราเนี่ย ก็คือเรื่องของธรรมะทั้งนั้นแหละบางท่านอาจจะนึกปฏิเสธว่าเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ได้ธรรมะไม่จำเป็นสหรับเราคาพูดอย่างเนี้ยแสดงว่าเราไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจตัวเราไม่เข้าใจธรรมะอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตกับธรรมะเราคิดว่าสองสิ่งเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันแยกกันอยู่ชีวิตก็คือชีวิต ธรรมะก็คือธรรมะชีวิตปเป็นเรื่องของตัวเราธรรมะปเป็นเรื่องของพระของวัดอะไรอย่างนี้นะอาจจะแบ่งแยกอย่างนั้นบางทีเราก็ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ย <sich> ก็คือธรรมชาติความหมายของธรรมะเนี่ยก็หมายถึงธรรมชาติตัวเราก็เป็นธรรมชาติสิ่งรอบตัวเราก็เป็นธรรมชาติรูปธรรมก็เป็นธรรมชาตินามธรรมก็เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่รูไม่ใช่นามันนี้ก็เป็นธรรมชาติก็คือธรรมะธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันกุศลก็เป็นธรรมะอกุศลก็เป็นธรรมะสิ่งที่เรารู้ได้ว่าอนไรกุศลอะไรอกุศลทั้งสองอย่างนี่ธรรมะทั้งนั้นแล้วสิ่งที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลอันนี้ก็คือธรรมะรวมทั้งหมดทั้งโลกทั้งจักรวาล น, นี่ยคือธรรมะทั้งหมดเลยรวมทั้งตัวเราด้วย ธรรมะคือธรรมชาติต้นไม้ภูเขาธรรมชาติทั้งนั้นเลยเราต้องมีการปฏิบัติธรรมชาติให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นกายกับใจของเราเนี่ยกายกับจิตที่เป็นชีวิตของเราเนี่ยอันนี้ก็คือธรรมชาติคือธรรมะเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติกายกับจิตไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดปัญหา ก็เป็นทุกข์ไปเช่นเรื่องของกายเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็คือธรรมชาติก็เป็นธรรมะที่เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นในอิริยาบทต่างๆเรานอนนานเกินไปมันก็ปวดก็เมื่อยนะมันก็เป็นทุกข์ล้ะเราต้องปฏิบัติทีละข้อยถูกต้องต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบทบ้างลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนแล้วก็ลุกขึ้นเดิน เพื่อเป็นการเปลี่ยนอเรายบทเพื่อแก้ทุกข์อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมแก้ทุกข์ให้กับธรรมชาติถึงเวลาเราหิวเราก็ต้องกินต้องกินเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันอยู่ได้การกินอาหารนี่กเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันต้องกินให้ถูกต้องตามเวลาถ้ากินไม่ถูกต้องหรือไม่กินตามเวลาเนี่ยร่างกายก็มีปัญหาเหมือนกันมีโรคภยัคยไข้เจ็บเบียดเบียนมากมาย ถึงเวลานอนเราก็ต้องนอนต้องมีการพักผ่อนให้ร่างกายเนีพักผ่อนถ้าเราพักผ่อนตามเวลาพอสมควรเก็เวลาเนี่ยเออเป็นการปฏิบัติธรรมกับร่างกายอย่างถูกต้องเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีการแก้ไขเยียวยารักษาร่างกายให้ร่างกายนี้เป็นปกติการพักผ่อนออกกําลังกายการขับถ่ายนะการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ต้องให้เป็นไปตามปกติถึงเวลาถ่ายแล้วไม่ถ่ายหรือถ่ายไม่ออกมันจะเกิดปัญหานะแสดงว่าเราปฏิบัติธรรมชาติของร่างกายไม่ถูกต้องถ้าเกับเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมสิ่งเดียวกันคือธรรมะคือธรรมชาติอันนี้คือส่วนร่างกายและส่วนจิตใจจิตใจก็เช่นเดียวกันจิตใจก็เป็นธรรมะก็คือธรรมชาติใจเราจะปฏิบัติกับเขาได้อย่างไร ใจต้องรักษาไว้ให้เป็นปกติปกติของจิตโดยธรรมชาติเนี่ยเขาเฉยเเป็นปกติอยู่เขาไม่วุ่นวายก็จจึงจ่มีความสุขสงบเย็นแต่ถ้าเขามีกิเลสมาครอบงำอาจจะผ่านเข้ามาทางตาทางหูเนี่ยและมุ่งเข้าสู่ใจมันจะครอบงำจิตใจให้เราร้อนเศร้าหมองกิเลสความโลภความโกรธความหลง ความพอใจไม่พอใจก็ครอบงมจิตใจใ จ, ใจก็เลยเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ปกติแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ฝ่ายทาให้เราเป็นทุกข์ฝ่ายอากุศลที่เป็นฝ่ายบาปอันนี้คือธรรมะแต่ธรรมะที่เราควรจะละลดละเลิกเพราะว่าฝ่ายบาฝ่ายอากุศลเนี่ยเราทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วก็นำพาจิตใจให้เป็นทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์ เราต้องละส่วนฝ่ายบุญกุศลจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลทําไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วที่เป็นฝ่ายบุญกุศลเนี่ยก็มีผลทําให้เป็นสุขเราต้องหมั่นเจริญให้มากๆทําให้มากๆอนนี้เป็นธรรมที่ต้องเจริญคือฝ่ายกุศลผู้ที่จะรักษาจิตที่เป็นปกติได้นั้นก็คือตัวสติสติเป็นเครื่องกั้นกระแสของกิเลส ไม่เข้ามาสู่จิตใจเราเป็นการปฏิบัติทางจิตปฏิบัติธรรมทางกายก็คือการดูแลกายให้เป็นปกติให้เป็นธรรมชาติปฏิบัติธรรมทางจิตก็คือรักษาจิตให้เป็นปกติแม่ถูกกิเลสครอบงำเป็นเรื่องในเนื้อในตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องชีวิตของเราจริงๆเนซึ่งแยกกันไม่ออกระมัดเยาว์บอกว่าถ้าเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ได้เขาคงจะหมายถึงว่าเรื่องของการฝึกจิต เรื่องการทำกรรมาฐานก็ได้อ น, นั่นก็ถูกอยู่แต่ก็ยังถูกไม่หมดนะบางคนอาจจะสงสัยว่า เ, เราเนี่ยทำไมปฏิบัติธรรมจึงเนิรนช้าเห็นผลได้ยากเหลือเกินหรือมันลำบากเหลือเกินในการปฏิบัติการทำได้มากได้น้อยยากง่ายนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับกิเลสของเราอุปนิสัยของเราถ้าเรามีกิเลสมากก็อาจจะช้าหน่อย หรือลำบากเลยคนที่มีกิเลสน้อยอันนี้ก็จะปฏิบัติได้ง่ายปฏิบัติได้ผลไวขึ้นอยู่กับกิเลสที่เป็นเครื่องสะสมในจิตใจเรามันเป็นอยู่ที่ปฏิสัยของเราถ้าอุปิสัยของเราเนี่ยชอบที่จะยึดติดยึดมั่นถือมั่นย้ำคิดหมกมุ่นอันนี้ก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยมันมีกิเลสท่วมทับอยู่นานยยากที่จะเอาออก แต่ไม่ใช่จะออกไม่ได้นะได้ออกได้อาจจะช้าหน่อยลําบากหน่อยอันนี้ต้องยอมรับบางท่านเนี่ยอาจจะสะสมกิเลสไว้น้อยจิตใจนี่เป็นคนที่ชอบปล่อยปล่อ ย, อยวางๆไม่ค่อยยึดติดอะไรไม่ค่อยมีความสําคัญมติหมายอะไรมากมายนะักจะยึดแบบสบายสบายไม่เกลียดไม่เป็นคนเจ้าทุกไม่เป็นคนขี้โกรธเนี่ยอันนี้ก็จะปฏิบัติทำได้ง่ายได้ผลไว เห็นผลไวอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงพระพุทธองค์ท่านยังอุปอมาไว้นะเช่นความโกรธเนี่ยบางคนเนี่ยโกรธแต่ก็หายไวมากโกรธปุ๊บก็หายได้ไวเมื่อที่โกรธตอนเช้าๆสายๆลืมแล้วหายแล้ว เ, เห็นไหมเหมือนรอยขีดลงไปในน้ำเห็นไหพอขีดปัด๊บรอยนั้นก็ลบเลือนหายไปเลยไวมากบางท่านเวลาเกิดความโกรธ โอ้มันทีโกรธตอนเช้ากวจะหายก็ต้องตอนเย็นตอนค่าหรือข้ามวันข้ามคืนกรธเป็นวันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนอย่างกับรอยขีดลงไปในดินอาจจะตั้งอยู่ในนานใหญ่กว่าจะลบเลือนหายไปส่วนบางท่านเนี่ยโอ้โกรธข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีบางทีอาจจะไปหายตอนที่ก่อนจะตายก็ได้ความโกรธนี้โกรธอยู่นั่นแล้วผูกโกรธอาฆาตพยามบาด ยอมไม่ได้อย่างนี้ยอมไม่ได้มันที่อาฆาตกันข้ามพบข้ามชาติไปเลยโกรธข้ามพบข้ามชาติโกรธข้ามปีอันนี้อุปมามอย่างกับว่าอรอยขีดในหินคงทนยากที่จะลบเลือนเพราะฉะนั้นอุปนิสัยของการสั่งสมเนี่ยมันต่างกันแต่คนว่าสั่งสมกิเลสมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันต่างกันถ้ากิเลสน้อยก็ไปฏิบัติง่ายหน่อยปล่อยประลาวังได้ง่ายหน่อยถ้ากิเลสมาก ก็ต้องช้าหน่อยยากหน่อยแต่ก็ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมีขึ้นแล้วมันก็สามารถที่จะหมดไปได้เหมือนกันพระนักการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงต้องมีความอดทนมีความขยันเพื่อจะขูดกลาอากเกเรตออกจากจิตใจของเราซึ่งจิตใจเขาเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราควรจะมาแก้ไขอุปนิสัยของเราการแก้ไขอุปนิสัยของเราเนี่ยก็ต้องอาศัยการเจริญสตินี่แหละ เพราะนั้นทุกชีวิตเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องอาศัยความเพียรมันเป็นประโยชน์กับตัวเราเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราใช้ตัวเราอย่างถูกต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็จะแก้ปัญหาชีวิตได้แก้ปัญหาตัวเราได้แล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันผู้อื่นให้เขาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ ปฏิบัติแล้วก็ทำมาเพราะนั้นท่านผู้ฟังอย่าแบ่งแยกอย่าแบ่งแยกว่าเราไม่ต้องปฏิบัติทำหรอกไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยไม่ใช่หรอกเราต้องปฏิบัติทำเพราะว่าตัวเราเนี่ยคือธรรมะชีวิตคือธรรมะธรรมะคือชีวิตไม่สามารถแยกออกจากกันไนดะ้